ขนาดฟังเทศให้จิตอยู่กับตัวไม่ต้องส่งไปที่ไหนให้รู้อยู่เฉพาะตัวเท่านั้นแม้แต่ผู้เทศก็ไม่ให้จิตส่งออกมากมันก็เหมือนคนไม่อยู่บ้านเองจิตส่งออกมาข้างนอกความรู้สึกภายในด้อยลงไปให้เต็มไม่เต็มถ้าจิตอยู่กับที่ความรู้สึกภายในเต็มที่ ความสัมผัสแห่งธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการ ท, าทำธรรมก็ต้องเกิดขึ้นในขณะที่จิตของเรามีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งออกภายนอกถ้าแสตทําเข้าไปสัมผัสก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตใจย่อมมีความสงบเสียงธรรมกับเสียงโลกผิดกัน เสียงธรรเป็นเสียงที่เย็นเสียงโลกเป็นรรเสียงแผดเผาความคิดในแง่ธรรมะกับความคิดในแง่โลกต่างกันความคิดในในแง่โลกเฝึกทํำเป็นความวุ่นวายผลเป็นทุกข์ความคิดในแง่ธรรมให้ฝึกความซาบซึ้งภายในจิตใจและจิตมีความสงบเย็นท่า น, นจึงเรียกว่าธรรม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 ในลักษณะนี้วันนี้ไปงานศพท่านจังกว่าพอไปปลงอนิจจังทุกข์ห้าตาที่นั่นอีกทีนึ้งพอก้าวขึ้นไปสูงเมรุท่านพอไปกราบเพราะมีความท่านนิสมมนมคับท่านอาจจะร่วมเฟินท่านโดยมีเจตนาก็เป็นได้จะต้องประกาบขอ ข, อขมาท่าน ท่านเป็นคนไม่ชอบพูดแล้วคิดดูเรื่องปฏิบัตาการดำเนินมาของท่านเดิมำดัท่านเนี่ยเคยมีครอบครัวทํำปฏิบัติแต่ก่อนเคยอยู่กับท่านจันมั่นท่านจันมั่นได้ชมเชยทุกเรื่องการนวดเส้นท่านบรรดาลูกศิษย์ที่มาอุปถัมภะเฉพาะอย่างยิ่งการนวดเส้นไม่มีใครสู้ท่านกว่าได้เลยท่านกว่านี้เรา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 สับะหกห้งงานเหมือนกับคนได้หลับแต่มือนั้นทํางานอยู่โดยสม่องสมือแสดงว่าไม่หลับทันว่าเหล่านั้นถ้าลงมีลักษณะสับประหกแล้วมือมันตายไปแล้วแหละทันว่าถ้าอจามั่นท่นพูดโกงไปงงไปมือมันตายเจ้าของกํลาลังสลบทันว่างนั้นคือกําลังสับรงรนกนั่นแหละไปเจ้าของกํลาลังสลบแต่มือมันตายไปแล้วทันว่า ตายไปก่อนจะของผมท่านป่าไม่เป็นอย่างนั้นท่านอุปธรรมป่ากเก็งมากเทําให้เราคิดย้อนหลังขึ้นไปเวลาท่านอาปธรรมป่าท่านอาจารยมัน่นรู้แตสมัยที่อยู่ไหนอยู่ทั้งท่าบ่อทั้งไหนหนึ่งเรายึดลืมไปเล้แต่นั้นมาท่านจิตใจท่านก็เผลอไปบ้างการปฏิบัติก็เผลอไปในตอนหนึ่งรู้ว่าจะสึกะอะไรไป และกลับตัวได้ตอนที่ท่านอาจารย์มั่นมาจากเชียงใหม่และกลับตัวได้เรื่อยมาไอไม่สบดูไปจนกระทั่งทุกวันนี้จนถึงวาราสุดท้ายท่านแล้วก็ไปดูเมนท่านดูศพท่านในหีบคือดูหีบศพท่านกราบแล้วก็ดูพิจารณาอยู่ภายในอ๋อนี่เป็นวาระ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 เรื่งร่างกายทานั้นทําให้คิดไปมากมายเหมือนกันมันแม้แต่นั่งอยู่นั่กันังเอามาเป็นอารมณ์คิดเรื่องนี้อีกทีท่านไสัมผัสแล้วเป็นอะไรคิดหลายเนี่ยหลายกระทงพิจารณาถึงเรื่องมัดตาวนวนไปวนมาเกิดขึ้นมาอายุสั้นอายุยาวก่อ ของเกี่ยวไปมุ่นมานี้ไปไก่ไปไก่ผลุดท้ายก็มาลงที่จุดนี้ผลิตท่ามาลงที่จุดนี้แต่ภายในก็นมีที่เละครอบนำเป็นนายบังคับจิตใจไปเรื่อยๆแต่ไปสู่ภพกกรรมวิบากซึ่งเป็นอนานานมาจากที่เละส่วนมากเป็นอย่างนั้นควบคุมไปเพราะั้นก็พูดต้องหาไปเทสู่กำเนิดนั้นไปสู่กำเนิดนี้เกิดที่นั่นเกิดที่นี่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 เป็นเหมือนผู้ต้องหาคือไม่ได้ไปทาโดยอิสระของตอนเองไปเกิ ด, ก, ด, ด, าาดก็ไม่เป็นอิสระของตอนเองอยู่ในสถานที่ใดก็เป็นอิสระของตนเองหมายว่าพบน้อยพบใหญ่พบใดก็ตามต้องมีกฎแห่งกรรมเป็นเครื่องบังคับบัญชายไปด้วยอํานาจแห่งกฎแห่งกรรมเป็นผู้พาพาผันให้ไปสูงต่ําอะไรก็แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่พาให้เป็นไปอยู่จางนั้น สูงก็เป็นอำนาแห่งความดีแต่ที่ยังปรากิดอยู่ก็กเพาะอำนาจแห่งกิเลสนะธรรมกิเลสกิเลสนี่จึงแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นภพใดแม้ที่สุดทนมาโลกก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะต้องไปปกครองถึงท่านสุทธาวาสก็ยังต้องปกครองอยู่สุทธาวาสคืออิหาตปาสุตสาตัวสีอกติฐา เป็นท่านชั้นสุดทา้ายแปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ท่าปลออกอวิหาเป็นช่านแรกผู้ที่สําเร็จพระนาคา ม, มีขั้นแรกหากว่าตายก็ไปเกิดในท่านนี้อวิหารนี้อัตปาเป็นท่านที่สองแล้วเมื่อบายมีแก่กล้าแล้วก็เลื่อนขึ้นขั้นนี้เลื่อนขึ้นขั้นนั้นถึงขั้นนั้น จนึงจนกระทั่งถึงขั้นสุดทาวารก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะไม่บังคับจิตใจเพราะเวลานั้นยังมีกิเลสอยู่ถึงจะเสียเหตุเพียงไรก็เรียกว่ากิเลสอยู่นั่นแหละจนกระทั่งพ้นจิตให้เต็มภูมิแล้วในขั้นสุดทาวารก้าขึ้นสู่อรหัตภูมิผ่านนิพพานไปเลยนั่นเรียกว่าเป็นผู้พ้นแล้วจากโทษ อย่างการจองจำมีพูดตามวิธีความเป็นไปของกิเลสที่เรียกว่าวัฏวลแล้วพูดไปตามวิธีแห่งผู้สนที่สนับสนุนเห่าให้เป็นไปโดยลำนับจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งผุ้สนที่สร้า ง, างนี้ทงานส่วนอานาจของกิเลสที่จะให้คนเป็นอย่างนั้นไม่มีทาง มีแต่ธรรมชาติที่เป็นผู้กดท่วงโดยไถ่เยื่อนะบุญกุศลเป็นผู้ผักดันสิ่งเหล่านี้ออกช่วยไปโดยลำดับลำดับพราะนั้ท่านจึงสอนให้บำเพ็ญกุศลให้มากหากจะได้เวียนว่าแต่เกิดนะว่าแต่สงสารก็มีสิ่งที่ช่วยต้านทานความทุกข์ร้อนทั้งหลายให้พอให้เบาบางเช่นเดียวกับเวลาหน้าเวลาห น, า, นาวมีผ้าห่มเวลาร้อนก็มีน้ําำับอา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 มีสาระสำคัญตึงรับเอาธรรมสาระมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเข้าสู่จิตใจฝากเป็นสากตายมอบกายสวายตัวประพฤติปฏิบัติตามท่านจ้ากลําบากเพียงไรก็ไม่ท้อถอยเพราะความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าจิตของเรามีสาระคุณสมควรตามกาลังความสามารถของตนอยู่แล้ว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 และสมกับว่าพุทธทางธรรงสนองกรฉาญี้ที่ถือพระพุทธเจ้าหรือองค์แห่งธรรมหรือองค์แห่งเหตุผลเข้ามาช่วยประคับประครองวิพยูง จ, จิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรม น, นั้น<ม>ในสากลโลกนี้ถ้าเราจะพูดถึงธรรมสารหรือส า, าระสําคัญแล้วก็มีอยู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เท่านั้นสรุปลงแล้วมีธรรมเท่านั้น เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราจะฝากเป็นสายตาได้ตลอดการทุกมู่ตลอดทบตลอดชาติในวัฏฏะวนที่เรายกยันต์ันมาอยู่นี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องยึดด้วยความร่มเย็นจิตใจเหมือนทำนี่เลยธ ร, รมโมหะเวรคติธรรมจารินถ้าทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติทำนะคาว่าพระธรรมรักษาตัว อ, อย่างไร ทำไมทำจึงมารักษากนต้นเหตุมันเป็นมาอย่างไรคนต้องรักษาธรรมนี้เป็นต้นเหตุเบื้องต้นคือสาเหตุเบื้องต้นคนรักษาธรรมเช่นเราทั้งหลายรักษาธรรมอย่อางนี้รักษาธรรมคือรักษาตัวดําเนินตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่ให้เพื่อเพื่อพลาดไปพยายามรักษาตนให้ดีด้วยความประพฤติทางกายวายจาตลอดถึงความคิดทางใจ อันใดที่เป็นท่าตื่นต่อตนและผู้อื่นอันนั้นไม่ใช่ธรรมท่านเรียกพระอะธรรมเราพยายามทาจัดสิ่งนั้นออกดําเนินตามหลักทำด้วยท่า น, นสอนดังที่เราทั้งหลายได้อบรมสมาธิภาวนาด้วยฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่แลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่นี่ะคือความปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมด้วยกําลังและเจตนาดีของตนท่านนี้ผลต้องเกิดขึ้น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 ก็ทําทเราให้มีความแข็งแ่งปลอดภยัยมีความอยู่เย็นเป็นจุดเหมืนท่านเรียกว่าทํารักษาการปฏิบัติเรามีความหนักแน่นมั่นคงละเอียดละออมากน้อยเพียงไรพ้นที่จะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจก็ยิ่งขยืดขึ้นไปโดยลําดับตามเหตุที่เราทำไว้นั้นๆจนกระทั่งถึงรักษาให้ผ่านพ้นไปจากภัยทั้งหลายโดยสิ้นเชิง ที่เรียกว่านิยานิการทำชุดลากผู้ปฏิบัติธรรมด้วยดีตนเต็มภูมิความรรมารนั้นให้ผ่านพ้นจากสมมุติอันเป็นบ่อแห่งอนิจจังทุกขังหน้าตาหรือบ่อแห่งความเกิดเกิดตายนี้ไปเสียได้หายห่วงนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้หายห่วงพระสงฆ์เป็นผู้หายห่ว ง, ง, วงด้วยการปฏิบัติธรรมทำรักษาท่านพระโยงท่านจนกระทั่งถึงภูมิแห่งความหายห่วง ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เสียดายยื้อใหญ่เป็นผู้สิ้นภัยสิ้นเวนสิ้นกรรมสิ้นวิบากแห่งกรรมโดยตลอดทั่วถึงพระพุทธคือพระพุทธเจ้าคือพระสงสาวกธรรมจึงเป็นความเป็นธรรมชาติที่จําเป็นต่อศาสตร์โลกผู้มีความมุ่งหวังความถูกความเจริญความหวังหลังดกันทุกคนแต่สิ่งที่จะมาสนองความหวังนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติธปฏิบัติของตน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 ไปดูเมนท่านวันนี้ก็ไปเห็นประชาชนมากมายกลายกองก็เกิดความสงสารแล้วทาให้คิดถึงเรื่องความเป็นความตายเฉพาะอย่างนี้คิดถึงองค์ของท่านที่ท่านตั้งใจปฏิบัติมาก็เป็นวาระสุดท้ายมาไม่ที่เมนี่เป็นอันว่าหมดความหมายทุกสิ่งทุกประการภายในร่างกาย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 จะเป็นเด็กก็ต่างทำนั้นไม่ใช่เด็กคือคติอันดีงามนั้นยึดได้ทุกแข่งทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ยึดได้แม้แต่สัตว์ดิบฉานตัวใดมีอัธฉริยะสัยเจริญก็ดีก็น่ายึดนะเอามาเทียบเคียมถือว่าประโยชน์จากเขาก็ได้ผู้ทีมเป็นคนโรคโลคนั้นอย่านําเข้ามาคิดให้มันรษยลุ่มลังภายในจิตใจของตนโรคโลคให้มันโรคอยู่เฉพาะเขา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 เราจะต้องเป็นผูน้รับผิดชอบอยู่ตลอดสายจนกระทั่งพบหน้าพบไหนก็นตามความรับผิดชอบของตัวนี้จะต้องมีติดแนบไปกับตัวแล้วเราจะสร้างอะไรไว้เพื่อสนองความรับผิดชอบเราให้เป็นที่พึงพอใจนอกจากคุณางามความดีนี้ไม่มีแล้วในตําหน่งเรื่องโลกเราเกิดมากับโลกธาตุขันทั้งธา ท, งทั้งขันร่างกายนี้เป็นโลกทั้งนั้นพ่อแม่เขาเราก็โลกทุกถิ่นทุกอย่างที่มา ย, ยาและษาก็โลกเราเกิดมาก็โลก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 โดนยืดสุกตัวมายึดแต่ร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่จะเป็นความเสียหายสําหรับเราเองที่ไม่คิดรอบคอบต่อท่าต่อขนันอันนี้ก็เป็นโลกเราทุกคนเป็นโรคอาศัยพึ่งพาไปตามกำลังของเป็นไปของมันไม่ปฏิเสธอันนี้โลกอยู่ด้วยการสร้างอยู่สร้างกินเพราะร่างกายนี้มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาครู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องพานั่งพานอนพายืน ถ้าขับพาถ่ายพารับทานอะไรทุกสิ่งทุกประการด้วยแล้วตั้แตมาเยียวยารักษาขอบบกพร่องของร่างกายเมื่อเป็นฉะนั้นไม่ทํางานได้หรือคนเราวิเฉยอยู่ไม่ได้ต้องทําให้เป็นความจําเป็นทั้นหลักท่าขานในขณะเดียวกันควรจะเป็นขั้นหลักกิจที่ต้องเรียกหาความสุขความเย็นใจต้องเรียกหาความหวังหาความสมหวังเราอย่าลืมความความหวังอันนี้เราอย่าลืมความรู้สึกอันนี้ที่มีอยู่ภายในกิจแน่จะมี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 เอาคุณงามความดีแล้วก็สอดสสันหาเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาจิตใจหสือพะยุงส่งเสริมจิตใจให้มีอาหารเช่นเดียวกับส่วนร่างกายและมีความสุขความสบายนี่เฉพาะอย่างยิ่งสร้างขึ้นเรื่องสติปัญญาอย่าให้จนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อความจนกรอบเป็นมุมเราเกิดมาเป็นคมทั้งคดเฉพาะอย่างยิ่งรักวิชาทุกทุกแขนงสอนให้คนฉลาดทางนั้นทางโลกพอดีนี่ทางธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุเทธเจ้ารงฉลาดแหลมคมที่สุด สอนอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถสอนได้รู้อย่างมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถอดถอนสิ่งที่มนุษย์หึง ห, งหวงที่สุดไม่สามารถจะถอดถอนได้พระพุทธเจ้าถอดถอนได้เท่านั้นแล้วเวลามาสอนโลกก็มีใครที่จะสอนได้แบบพระองค์เลยผู้นี้เป็นผู้ที่หน้ายึดเอาอย่างยิ่งแล้วผลที่ปรากฏจากความฉลาดแหลมคมของพระองค์ก็คือได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกสั่งสอนโลกจนกทั่งมั น, นพณิพานนิพันธ์แล้วก็เป็นความสุขเกษม ให้มีะระบบป้องสำหรับพระองค์เลยผู้นี้แลเป็นสละชังนังขจฉามิได้โดยสมบูรณ์เราพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวคือจิตใจของเราให้มีความสมบูรณ์ภูลสุกโดยด้วยคุณางามความดีความฉลาดจะให้จนกรอบเนมุมพระพุทธเจ้าไม่พาจนกรอบไม่เคยทราบพรพิเจ้าไปจนกรอบไปไม่น่าติดที่ตรงไหนติดตรงไห น, ไหนฟันตรงนั้นขุดตรงนั้นจนทะลุไปได้หมดแค่ติดอยู่แล้วนอนอยู่นะั้นไงจนกรอบเป็นมุมท่อถอยอ่อนแอ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 ต้องอาศัยความพิจิตพิจารณาอาศัยการสั่งสมหรือการค้นคว้าการพิจิตพิจารณาการศึกษาโรงเรียนการอบรมแล้วการคน้คนการคิดความฉลาดจะเกิดขึ้นโดยลํำดับลำดับไม่มีประมาณในน้ํามหาสมุรทรฉบว่าเท่าไรก็ต่างปัญญายังยแทรกก็ได้หมดกว้างยิ่งกว่าแน้ำมหาสมุรทรทั้งความโง่กับอะไรจะโง่ยิ่งกว่าจิตนี้มีถ้าจะทำให้โง่โง่จงตั้งกับตั้งกันเกนิดด้วยความโง่ตายแล้วยความโง่ดูด้วยความโง่โง่ตลอดนี่ ถ้าให้งงๆอย่างนั้นถ้าจะให้ฉลาดฉลาดที่สุดพยายามแล้วเราต้องการอะไรความฉลาดพาคนให้ดีพาคนให้พ้นทุกไม่ว่าทางโลกทางธรรมพายคนพ้นไปได้ทั้งนั้นไม่แต่จนกรอกเปนมุมถ้ามีความฉลาดนี่เราพยายามสร้างความฉลาดให้เราต้องผลิตความฉลาดขึ้นให้มากให้พออ้าวแต่พ่อย่างยิ่งเราแบกเราหามอยู่ในเปบญจขันอันนี้เราฉลาดกันมั้ยละอย่างเฮ้ยมีตะบนให้มันโดยที่มันไม่รู้สึกตัวกับเราเลย บ่นให้แค่ให้ขาไอ้วศนต่างๆเจํานั้นปวกนี้บ่นกันไปออกมาจากใจนะ้วคำบนน่นความไม่พอใจการบ่นนั้นเหมือนก็นเป็นการระบายทุกข์ความจริงไม่ใช่ระบายทุกข์มันเพิ่มทุกข์เราไม่รู้สึกตัวมันเป็นสองชั้นขึ้นมาแล้วเรื่องทุกข์พยายามให้มันตลอดทั่วถึงของอยู่กับเราสมบัติเงินทองมีอยู่ในบ้านเรามีมากมน้อยเป็นไงเรายัางมีทะเบียนบัญชีเรายัางรู้ของนั้นมีาน้นของนี้มีที่นี่เก็บไว้ที่นั่นอันนั้นเก็บไว้ที่นั่นเรายังเรายังรู้ เรื่องของหมันจํานวนของหมันแล้วเกิดว่าในสถานที่ใดเรารู้แต่สกุลนาคาธาตุขันธ์เหล่านี้ยินเราแบกเราหามาตั้งแต่วันเกิดแล้วเรารู้บ้างหมายว่ามันเป็นยังไงมีอะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนมันมีดีมีชั่วมีสกปรกสกมล้มมีความสะอาดสะอานที่ตรงไหนมีความสาระสําคัญอยู่ที่ตรงไหนไม่สาระสําคัญที่ไหนมีอริจังหรือมีมีอริจังอยู่ที่ตรงไหนมั่ง มีทุกขังหรือสุด ข, ขังอยู่ที่ตรงไหนมีอนัตตาหรืออัตตาอยู่ที่ตรงไหนคนนะมันเห็นเหตุเป็นผลซึ่งมันมีอยู่กับตัวด้วยกันทั้งนั้นในท่านุในขันธ์นี่ค้นลงไปเขาวิาาาจารณสอนส่วนมากอยากจะว่าพูดว่าร้อยทั้งร้อยอืมรูกลางอนัตตาจังเลรูปังอ น, นะงงนิจจังอืคําว่าอนิจังคืออะไรมันควรเราอยาู่ตลอดเวลาความอนิจังมันแปรทุกขังเหมือนกั น, นมันควรถ้าว่าเราจะพูดทั้งแบบนักธรรมะ มันเตือนเราอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทอนนี้จังทุกขังอนัตตาอย่าไปถือไฟรูปไหมอ้อนาตตามันเป็นไฟถือร้อนไหนรูปปังเขามา ร, รูปปังแยกออกไปรูปมันมีกี่อาการอาการอะไรบ้างดูทั้งทั้งรอบทั้งไหนดูเห็นตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านดูตลอดทั่วถึงปัญญาไม่มีจนกรอบทั่วถึงไปหมดถ้าจะพาให้ทั่วถึง ถ้าจะให้ติดขั้นอยู่ตลอดเวลาก็ติดเพราะไม่ไม่ได้ชิดเนี่ยสำคัญจริงๆก็คือร่างกายหน้าห้มนี่แล้วดูให้ดีถอนมูลกรรมฐานอันนี้ะเกสาโลมาณขาทันตาตะโจพอมาถึงตะโจคือหนังเท่านั้นดู ท่านเรียกว่าตาจัาระมังตะกรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเต็มที่ห้าแปลตามสนะันมพอมาถึงตะโจแล้วทำไมถึงหยุดเสียสอนพระสงฆ์ผู้บวชใหม่ก็เช่นเดียวกันแล้วอนุโลมปฏิโลมอนุโลมคือว่าไปเดินดับไปโลมคือถอยหลังย้อนกลับพอถึงหนังแล้วหยุดเพราะเหตุใดท่านถึงหยุดความหมายหมายว่าไงหนังเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับสัตว์โลกติดกันก็ติดที่ตรงหนังนะ หุ้มสกุลนากายไว้ก็คือหนังผิวพันมาน่าข้างนอกหน่าดูแต่ไม่หนาเท่าแบรนด์เลยข้างในเป็นนี่มันหุ้มที่เราถลกหนังนี่ออกดูสิเราดูกันง่ายไหมสัตวเป็นสัตว์ก็ดูไม่ได้เป็นคนก็ดูไม่ได้เป็นญิยุมิชัยดูกันไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อถลกหนังองแล้วเป็นยังไงนี่แหละปลาถึงต่โตท่านถึงหยุดอันนี้มันครอบแล้วครอบในสกุลนากายหรือว่าครอบโลกกระถายแล้วพิจารณาตรงนี้คลี่คลายออกดู ทั้งั้งนอกดูข้างข้งของของหนังเป็นยังไงหนังรองเท้ามันไม่สกปรกไม่เหมือนหนังคนหนังสัตว์ที่สดสดร้อนรอย่าง่นี้เนี่ดูดนี่เรากำลมาฐานดูข้างบนข้างล่างคนทั้งคนเอาถลกดำทั้งหมดทั้งเขาทั้งเราจะดูกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมเรายังไม่เห็นอยู่หรือความจริงที่แสดงอยู่ภายในตัวของเราเรายังยึดยืนือว่าเป็นเราอยู่ได้เหรือไม่อายความจริงบ้างเหรือความจริงเป็นอย่างนั้นนี่แต่เราฟื้นความจริง แบบด้านๆทนี่เฉยหนีพี่ว่าไงเพราะอะไรถึงด้านเพราะกิเลสทันหาความมืดดำกรรมตามันทาร้านเราก็ต้องทนด้านกันมาถื่นแตไม่อายพระเจ้าบ้างนี่สิทั้คันอะ่ะพระเจ้ามีพระเมตตาสั่งสอนตั้โลกให้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แต่พวกเรายัางยึดยังถืออไปเรื่อยบางคนเป็นจะแทบจะตายยังตายไปไม่ได้เวลานี้ยังมีธุระอย่างนั้นจะตตาใหไปไม่ได้ฟังสิ <g ill ian> จะตายไปไม่ได้อย่างไรตั้งแต่เป็นมันยังเป็ น, นทําไมตั้งเจ็บมันยังเจ็บมันทําไมมันจะ ต, ตายไม่ได้ไม่คิดบ้างหรือเออ น, นี้ก่อนนี่เราความโง่ความโง่ขาวพวกพวกมันเป็นอย่างนี้ความจริงต้องแย้งออกให้เห็นความโง่ของตัวเองด้วยสติปัญญาจากการเป็นความฉลาดแหลมคมขึ้นมาธรรมฐานห้าท่านสอนถึงตะโจเป็นประโยคใหญ่มากทีเดียวอ้าวดูเข้าไปเนื้อเป็นกระดูก ข้าเจ้นายเท่าไหร่ดูได้พี่นาย น, นี่จะเที่ยงกรรมฐ า, านเอาเที่ยงตรงนี้ดูให้ดีดูข้างบนข้างหลังมันเพิ่นอยู่กับความติ่งนี่แล้วมันจะค่อยคลายออกคลายออกเรืออ่อย เ, ยเรื่อยพเข้าใจความรู้ความเข้าใจซึมซ่า้าไปถึงไหนความผ่อนคลายของของใจจะเบาออกเบาไปเบาไปเบาไปโดยลำดับที่หนึ่ เพราะอันนี้เพราะคำสำคัญอันนี้เป็นเครื่องให้น่ะภาน จ, จิตใจเพราะความเข้าใจนี้แล้วจึงปล่อยลาวเดิมแล้วก็มีความเบาภาน จ, จิตใจนี่เป็นประอย่างสำคัญในการพิจารณกรรมาฐานเอาเอาอกเป็นชิ้นเป็นอันกันโหลดออกจะแบบให้มันเปื่อยทังไปเรื่อยๆออกมันเปื่อยเปื่อยหยาบแบบเยอะดูไม่ได้ อะไรที่จะทําให้เกิดเป็นความชาั่วอย่างหนึ่งซึ่งนึงมีอยู่ภายในร่างกายแต่ก่อนมันไม่เคยไม่เค ย, ยอาเย็บทำให้เกิดให้มีด้วยปัญญาของเราพิจารณาให้เห็นชัดจริงนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ความปลอมมันเสกออกใครก็เสกได้ด้วยกันทั้ ง, งตั้งตรับปลอมเสกได้ทั้งนั้นมันเสกง่ายเสกปลอมติดง่ายความจริงมันไม่อยอยากเสกมันไม่ค่อยอยากพิจารณาจริงไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยชอบเนี่ยไปชอบสิ่งที่ไม่น่าชอบ แล้วมันก็ทุกทั้งสิ่งที่เราไม่ชอบอ้วยเหมือนกันเปิดทุกความทุกไม่มีใครชอบแต่มันก็จเจอด้วยกันเพราะมันปีนเสี้ยวกับความจริงเราจะกําหนดให้มันเปลือยลงไปโดยลำดับหนับก็ได้เอาจะกํำหนดแยกออกเฉือนออกไปเฉือนลงไปเป็นกองเป็นกองกองเนื้อกองหนังอะไรออกออกไปทเหลือแต่กระดูกกระดูกมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมันติดต่อกันที่ตรงไห น, นกํำหนดออกไปดึงออกไปกองกัน ไฟเผาเข้าไปนี่คืออุบายแห่งมรรคได้แต่ปัญญาความติดพันในสิ่งเหล่านี้จนถึงกับเป็นอุปาทานยึดมั่นถึงมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกทั้งลูกก็เพราะความซ้ำขัญก็เพราะความปรุงความแต่งของจิตใจความซําขัญมั่นหมายของอจิตใจซึ่งเป็นตัวจองปอมนั่นแหละเรายังพอใจติดใจได้เรายังพอใจคิดยังพอใจซ้ำขันมั่นหมายได้แล่นพอใจติดได้ปัญญา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 นี่ท่านเรียกปัญญาเอากำหนดเผาไฟลงไปได้กี่ครั้งกี่ผนเราไม่ต้องไปนับครั้งนหผนเอาคำทานานเป็นของจํารัญ์ํานานจนกระทั่งมันป่อยมันวางได้นอกจากนั้นมันก็เป็นสมญากาลร่างการของเรานี้ที่แรกมันก็เป็นปฏกิกูพิจารณาที่ที่แรกไม่ได้พิจารณาเลยมันเข้าสวยกว้างงามพอพิจารณาตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าไปที่เรียกว่าปฏกิกูล มันก็เห็นชัดคล้อยตามคล้อยตามซึ่งไปเดินดับหนักจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายมีความขยะแขยงเกิดความสลดสังเวชน้ําตาล่วงมาในขณะที่พิจารณาเห็นกระจักภายในจิตใจโอ้เห็นกันแล้วหรือวันนี้แต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนร่างกายทั้งร่างมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มันเกิดทําไมไม่เห็นทําไมไม่เกิดความสลดสังเวชวันนี้ทําไมถึงเห็นอยู่ที่ไหนถึงมาเจอวันนี้ทั้งๆที่อยู่ด้วยกันแล้วทําไมถึงมาเจอวันนี้นะ ลำพึงงานพันกับตัวเองพอเห็นชัดเจนก็จริงๆคเกิดความขยักขยังเกิดความสลดสังเวสแล้วใจเบาไม่มีอะไรจะบอกให้ถูกได้เพราะความหนักก็ได้จากความยึดความถือเพราะเข้าใจสิ่งนี้ชัดเจนประจักษ์ในขณะนั้นมันก็ถอนออกมาจิตเบาโล่งไปหมดจากนั้นกำหนดลงไปทนันทนลายไปแหลกเลวไปหมดกลายเป็นดินเป็นน้าเป็นลมไฟจิตรากฏเป็น เหมือนกับอยู่อากาศอะไรกลายเป็นธาตุไปหมดเป็นอากาศและธาตุไปหมดจิตว่างไปหมดเลยนานนี่อุบายของสติปัญ่าทำคนให้เป็นอย่างนี้ทำความรู้ความเห็นให้เป็นอย่างนี้ทำผลให้เกิดความสุขความสบายความเบิกบานใจอย่างนี้นเมือ่อกำหนดเข้าไปนาน จะมีความชํานาญละเอียดยิ่งไปกว่านี้แม้ที่สุดร่างกายที่เรามองเห็นด้วยตาของเรามันหายไปหมดจากภาพจากรูปกลายเป็นอากาศทาท่ว่างไปหมดเลยดูต้นไม้ก็มองเห็นเพียเป็นลางๆเหมือนกำเหล่าภูเขาทั้งลูกก็เหมือนกำเหล่าเท่านั้นไม่ได้เป็นภูเขาเป็จริงจังเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตมันแทนทะลุไปหมดร่างกายทั้งล่างก็เป็นเหมือนกำเงาๆเท่านั้นเองทะลุไปหมดจิตว่างนี่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 มันเป็นก้อนในปิดก้อนอวิชชาก้อนสมมติก้อนภพก้อนชาติมันอยู่ที่จิตปัญญาฟาดฟันลงไปที่นั่นอคําที่ว่าเงาเงาเงาหมดคาที่ว่าก้อนก้อนหมดภายในปิดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล่วงล้วนนั่นทีนี่ว่าอะไรความรู้ล่ว้วนอันนี้ความรู้บริสุทธิ์คือซากฟอกกับหมดอันใดที่เป็นลางๆหรือเป็นเงาเง ซึ่งเป็นเรื่องของสมุดเป็นเรื่องของทิเละมันทั้นละ อ, องหมดไม่มีอะไรปิดบงังจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ได้เลยนั่นคือที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งพบแห่งชาติที่สุดแห่ง ว, ว, วัฏจักรทั้งหลายสิ้นสุดลงที่จุดนั้นหมดปัญหาการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะ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 เมื่อธรรมชาตินี้ก็รู้รู้กันอยู่นี้ไม่สูงแล้วพระพุทธเจ้าจะศูญไปได้อย่างไงคําว่าพรถ้าทำบะรมนั้นศูนย์ไปได้อย่างไงรู้รู้อะไรถ้าไม่รู้ธทำและทําไม่มีจะรู้ได้อย่างไงถ้าว่าทาศูญจะรู้ได้อย่างไงรงานลงที่จุดนี้อยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสมไม่ว่าว่าอยู่เหมือนอยู่นะอยู่กับพระพุทธเจ้าว่า ง, งันเลยให้มันเต็มไม่ยเต็มหน่ตามความรู้สึกนันสี แล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้ไหก็ เ, เมื่อธรรมชาตินี้เป็นเครืร่องเทียบเทียงหรือเป็นสักดิบุญาณกับความกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วกับพุทธะของพระองค์กับธรรมะสังฆาทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนี้เราจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ว่าไม่มีได้ไงเมื่อเราปฏิเสธธรรมชาตินี้ไม่ได้เมื่อเราับองธรรมชาตินี้ก็รับรองพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ได้อันเดียวกันงานถ้าจะปฏิเสธพระพุเจ้าพระธรรมสงค์ว่าไม่มีในโลกก็ปฏิเสธอันนี้เสียว่าไม่มีแล้วปฏิเสธได้ไหมท่านท่านจิตลุ้ยยิ่งมาไม่ย นี่นี่หละยอมรับเันตรงนี้บรรดาราษาบกทั้งหลายเมื่อรู้เรื่องของทมโดยทั่วถึงแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยกับเจ้าเลยแม้จะไม่ได้เคยพบเห็นพระพุทธเจ้าก็ตากะ พ, พุทธท่านแท้จริงไม่ใช่เรือนร่างไม่ใช่ร่างกายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดังที่ตัวรู้เห็นอยู่นี้หละนี่คือธรรมชาติที่อัศจร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 ถ้าเป็นเอาเอามนุษไปเผาที่ตรงไหนไปฝังตรไหนนั่นตัดช้ากลัวกันจะตายไปสัตว์เอาขนเข้ามาในเตาไฟไม่เห็นกลัวว่าเป็นตาดช้ายิ่งสนุกสนานมันไปใหญ่นี่เพราะความต้องการมันผิดกันนั่นเองแล้วจิตมันก็ชอบทิ้งไปแล้วมันไปคว้าหาใหม่หาใหม่เอามาขึ้นเมนเรื่อยๆเออจะไปขึ้นไหนก็ไม่รู้เลยถ้าธรรมชาตินี่ไม่ได้ปอกป อ, อกให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้ว ความขึ้นเนินไม่ต้องสงสัยความจองปา่าช้าจักจองป่าช้าไม่ต้องสงสัยพบใดก็ตามก็คือพบแห่งป่าชานั่นเองก่อนที่เป็นปา่าช้ามันเป็นกองทุกข์ป่าไห่ป่าช้าเป็นวาระสุดท้ายแห่งกองทุกข์ในชาตินั้นเราขยันนักหรือในการเกิดการตายโดยหาหลักฐานมา ไ, ได้หากฎเกณฑ์มาได้หาความแน่นอนไม่ได้ถ้าเรามีความแน่นอนในการเกิดว่ตาต้องเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้ก็ยังพอทำหนพอเพราะพบที่เราต้องการนั้นเป็นเป็นความสุขแต่นี้มันปรารถนาไม่ได้ถ้าไม่มุ่ง สร้างเหตุให้เป็นความสมหวังเสียตั้งแต่บัดนี้คือสร้างจิตสร้างใจสร้างางามความดีของเราไว้เสียตั้งแต่บัดนี้นี่คือสร้างความสมหวังไว้ตลอดตนและจะเป็นผู้สมหวังเรื่อยๆไปจนกระทั่งที่สมหวังมาใสุดท้ายเป็นที่พึงพอใจยอย่างเป็นที่ได้แก่วิมุตถุพคนคือพระนิพพานอื่าว่าสารก็วเองว่าสมผลเอาละพุทธิห่อมันเปไปใหญ่เลยนะ